อ่ะเดี๋ยวต่อกันหน่อยอช่วงเหลือเหลือชั่วโมงกว่านิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวศึกษาพระธรรมกันต่อนะ ศึกษาประธรรมกันต่อเดี๋ยวข้างนอกก็ปล่อยเขาไปยังไม่ยังไม่หายคัน <laughs> ยังไม่หายคัน <laughs> ที่พระบรมศา ส, าสดาตรัสบอกว่ามาคันทิยะเนมาคันทิยะเรานั้นเน่เม <c oughs> ื่อยังคองเรือนอยู่เนี่ย ท่านตรัสบอกว่าแสดงสมบัติของพระองค์ครั้งเมื่อเป็นเครือข่าในประสาทเหล่านั้นว่าเป็นประสาท เ, เป็นประสาทที่อยู่ในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเป็นต้นเหล่านี้เนาะตรงนี้ก็คือในชั้นของคาสอนของพระศาสดาเนี่ยตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้บริโภคกา ร, รมทั้งหลายเนี่ยนะก็คือคนบุรุษโลกเลือน แล้วก็บอกว่าท่านพระโคโดมข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเหล่านี้นะบอกว่าต่อมาเนี่ยมาคันยยะเปรียบเสมือนบุรุษโลกเลือนมีตัวเป็นแผลมีตัวสุก ถ, ถูกถูกหมูนอนบ่อนอยู่แล้วก็กาวปากแผลใช่ไหมย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพลิงมิตรอมาดหญ้าสายก็พาเข้าไปหาแพทย์ผู้ชนานาญทําการผ่าตัดแพทย์ที่ชนานาญผ่าตัด ร, รักษาบุรุษนะนั้นอาศัยยาแล้วก็หาย เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้บอกว่าท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุเ <C <ık> <c <oughs> พราะว่าสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนอย่างยิ่งกว่านั้นแล้วก็มีความเราร้อนมาก <C ık> ท่านพระโคโดมบอกไฟนั้นก็มีสัมผัสที่เป็นทุกข <c oughs> ์มีความร้อนยิ่งยิ่งใหญ่และมีความร้อนมากทั้งในบัดนี้และในเมื่อก่อนแม้ในอนาคตไฟก็ต้องมีสัมผัสเป็นทุกข์แม้ชั้นใดใช่ไหมมีความร้อนอย่างยิ่งและมีความเร่าร้อนมากแต่ว่าบุรุษโลกเรื้อนนั้นมีตัวเป็นแผมีตัวสุกถูกหนอนบ่อนชอนชัยอยู่เก้าปากแผลด้วยเล็บแล้วก็มีร่างกายถูกโรคกำเริบเสียแล้ว คนโน้นกลับมาได้ด้วยความสำคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั้นแล้วว่าเป็นสุขไปก็เลยทำให้ตาบอดเพราะงั้นด้วยการที่โรคเรื้อนเน่ะรุมเร้าสัตว์ใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเต็มไปด้วยแผลเต็มไปด้วยโรคเรื้อนเบ็ดเสร็จก็เลยมีความสำคัญผิดทั้งๆที่ไฟก็มีสัมผัสเป็นทุกข์ทั้งทั้งที่การเกาปากแผลก็มีสัมผัสเป็นทุกข์ด้วยนะ หรือการเป็นโรคเรื้อนทั้งหลายเหล่านี้ยมันทรมานสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เลยต้องอาศัยกามาคุณไงต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจยิง่งนักเบ็ดเสร็จนั้นน่ยมีร่างกายถูกโรค ก, กำจัดเสร็จแล้วคนโน้นกลับได้ความสําคัญผิดในไฟนี้ว่าอันมีสัมผัสว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเสียได้เห็นไหมทั้งๆ ท, ที่ไฟนี่มีสัมผัสที่เป็นทุกข์ทั้งๆกามาคุณนี่ร้อน กามาคุณนี่เป็นตัวร้อนตัววัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยร้อนหมดเลยบุตรภรรยาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ร้อนหมดเลยทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายก็เป็นความร้อนเป็นความรุ่มร้อนเป็นความเล่าร้อนด้วยแต่ด้วยด้วยการที่มีแผลด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนก็เลยต้องอาศัยการรักษาแบบคนตาบอดแบบคนตาบอดแบบหมอไม่ชำนาญแหละมาคันธิยะการทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้ในอดีตกตการก็มีสัมผัสที่เป็นทุกข์ประกอบด้วยชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์มีความร้อนอย่างยิ่งด้วยและมีความร้อนมากถึงในอนาคตการนะอดีตการก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันการก็เป็นอย่างนี้แม้ในอนาคตการนั้นกามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนอย่างยิ่งมีความร้อนอย่างใหญ่มีความร้อนอย่างมาก แม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเขา่เขา ร, ร้อนอย่างยิ่งเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้ผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามเห็นไหมอะไรเนี่ยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินนี่แหละความมัวเมานี่แหละไอ้ตัวตันหานี่ใช่ไหมเมื่อวานนี้พูดถึงลักษณะของตันหาไปแล้วเป็นยังไงเพราะกามไม่ตันหาลักษณะเป็นยังไงตันหาเป็นยังไงยเยอะติดใช่ไหมยเยอะติดในอะไร ยอะติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมถามเยอะติดขนาดไหนยอะติดยังไงเหมือนอะไรดีเหมือนกระดุดกาวที่ติดลิงไงกิจจะละศาสของตันหาเป็นยังไงติดแน่นในรมใช่ไหมเหมือนชิ้นเนื้อโยนก็ไปในกระทะที่ร้อนร้อนหรือกระเบื้องที่ร้อนร้อนหรือแผ่นเหล็กที่ร้อนรติดไหมผลปรากฏเป็นยังไง ไม่สามารถจะทิ้งวัตถุกรรมได้เหมือนอะไรดีเหมือนขมเหลวน้ํามันที่ติดผ้าประทัฐานเพราะอะไรเพราะทิฏฐิที่เห็นว่างามไงอันอันเป็นอันเห็ น, เ ห, นเห็นว่างามเห็นว่าสวยงามในธรรมอันเป็นอารมณ์แห่งสังโยชน์โลภะก็ยึดอารมณ์นะรับอารมณ์ก็ยึดติดแล้วก็ไม่ยอมทิ้งอารมณ์นั้นด้วยอำนาจที่ยึดติดแน่นด้วยตัณหา ถ้าต้องบอกว่ายึดติดแน่นด้วยอำนาจของตัณหาว่านี้ของเราเพราะเหตุนั้นโลภะเนี่ยรับอารมณ์แล้วก็เหมือนกับลิงเหมือนกับลิงเว้ยติดติดถูกกาวติดถูกตังติดแล้วไม่สามารถที่จะออกจากตรงนั้นได้เนี่ยลักษณะของตัณหาเป็นอย่างนั้นถ้านื้อว่ากามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์แท้ๆมีความเร่าร้อนเนี่ยถูกกา ม, มาตัณหาย่ํายี อ, อยู่ถูกความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะปาราบกามแผดเผาอยู่ มีอินทรีย์ทั้งหลายที่กามกำจัดแล้วตอนนี้อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไง <c oughs> เราถูกเนะถูกกามเผาจนจนตอนนี้ชลาเป็นย่ายีไหมตอนนี้ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วกลับได้ความสำคัญผิดในกามที่มีสัมผัสที่เป็นทุกว่าเป็นสุข <c oughs> เราบอกเออดีนะก็อย่าลืมไปดูนะดูแลวสวย แล้วก็เลยบอกกันเลยว่าลูกขยันเรียนนะใช่ขยันกินเขา้าลูกโตขึ้นจะสบายขยันเรียนนะลูกโตขึ้นจะสบายเรียนเสร็จหางานทานะจะสบายหางานเสร็จแต่งงานที่จะสบายแต่งงานมีลูกมีหลานจะสบายส่งลองล่องส่งหลานเรียนไปเรื่อยเลยแต่เนี้ยไปสำคัญผิดไปสำคัญผิดว่าวัตถุกรรมเนี่ยมัน ท, ทั้งทั้งที่สัมผัสเป็นทุกข์ เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกไหมแต่เราเราวิปลิตไปแล้วมาคันธียะเปรียบเหมือนบุตรโลกเลือนมีตัวเป็นแผลสุกนี่นแหละเกาปากแผลด้วยแล็บมาย่างกายร้อนที่หลุนทาน่านเพิงมาคันธียะบุตรโลกเลือดโน้นนะี่นะคนโน้นนะี่มีตัวเป็นแผลบุรุษโลกเลือนคนโน้นก็นี่ไงเนี่ยเนเนเป็นแผลหมดเลย เ, น, เลยนี่ยพระเจ้าบอกโน้นไงบุรุษโลกเลือนที่มีแผลเต็มตัวนี่นแหละ มีตัวเป็นแผลมีตัวอันสุกถูกนอนบ่อนอยู่เอาตัวนี้นอนบ่อนอยู่ไหมเนี่ย น, นอนคืออะไรกิเลสไง เ, เ, เกาปากแผลด้วยเล็บเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นมาต้องกระเสือกกระสนหาไหมไปหาแล้วย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพลิงโดยประการใดๆปากแผลเหล่านั้นของบุรุษโลกเรนะือนนั้นเองยิ่งเป็นของไม่สะอาดอย่างยิ่งยิ่งสะอาดขึ้นยิ่งไม่สะอาด <S <S ใช่ไหมยิ่งเกายิ่งไม่สะอาดไหม ยิ่งไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นด้วยและเน่าด้วยเริ่มเน่าด้วยและจะมีความเป็นของหน้าเย็นดีหน้าเพิดเพลินสักหน่อยหนึ่งถามบอกว่าก็คือปากแผลทั้งหลายมีการเกาแผลเป็นเหตุเท่านั้นคือว่าเวลามันมันคันขึ้นมาก็ได้เกาใช่ไหมเช่นว่าพอหิวก็ได้ไปกินนั่นเรากำเกาอยู่นั่นโอ้มีความสุขหน่อย พออยากจะดูได้ดูหน่อยก็ไปเกาอยากจะฟังก็ได้ไปฟังหน่อยอยากดมก็ได้ไปดมอยากจะกินก็ได้ไปกินอยากสัมผัสก็ได้ไปสัมผัส้วก็นั่งเกาแผลกันอยู่นี่แหละเกาปากแผลกันอยู่นี่แหละแล้วก็เราบอกโอ้มีความสุขสบายใช่ไหมอยากจะนอนอะไปนอนสบายอยากกินน้ำกินอะสบายอยากดื่มดื่มอยากสัมผัสอะไรแบบอยากเห็นอะไรแล้วก็บอกนี่ไงมีความสุขแล้ว จริงๆสัมผัสมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทำไมถึงเป็นทุกข์ลองวิจัยที่ตัณหาเกิดขึ้นเป็นกุศลกรรมเรื่อกุศลกรรมอกุศลกรรมเมื่อไหลอยู่ในกระแสขันกระแสชีวิตของท่านเหล่านั้นและทำบุญหรือทําบาปบาปให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นไหมไม่เห็นวัดไม่เห็นสัมผัสที่เป็นทุกข์ว่าจะต้องเจ็บปวดในปัจจุบันก็ทุกข์ ถามว่าให้ผลในปัจจุบันด้วยต้องเลาร้อนตลอดให้ผลในอนาคตด้วยในอดีตก็เป็นทุกข์ถูกความเลาร้อนเกิดขึ้นนีตรงนี้ก็คือว่าเพราะมีการเกาเท่านั้นแหละที่ได้รับสุขหน่อยฉะนั้นน่ะได้ดูหน่อยเหมือนมีความสุขได้ฟังหน่อยเหมือนมีความสุขได้ดมได้กลิน่นได้สัมผัสได้คิดฉันใดมาคณิยสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ย ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามมัตัญหาย่ำยีอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นปลารบกามเผาอยู่เศกกามอยู่มาคันดียะสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามมัตัญหาย่ำยีถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปารบกามผาเผาอยู่เศกกามอยู่โดยประการใดกามมัตัญหาก็เจริญในใจสัตว์นั้นเจริญไหมกามมัตัญหาเจริญไหมตอนนี้รูปมัตตัญหาเจริญไหมตอนนี้ สัทธตันหาคันทะตันหาระสะตันหาโพธพาตันหาธรรมตันหายินดีพอใจในรูปจเจริญขึ้นไหมในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันเทาบรรเทาลงบ้างเปล่า ม, มีเบื่อไห ม, มเบื่อการที่จะบริโภคการมเหล่านี้ไหมเบื่อการที่จะต้องมาการที่จะต้องได้เห็นได้ยินเบื่อไหมเบื่อจริงๆริงไหมการมีตาเบื่อไหมเบื่อการมีตาหรือไม่ ก็ไม่เบื่อสภาพของความเป็นโลกเรื้อนอยู่ดีเราไม่เชื่อพุทธิยานนี้นเนี่ยเบื่อไม่เบื่อการมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีใจเราไม่เบื่อตัววัตถุกรรมแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เลยแล้วกามมาตัญหาจเจริญไหมตอนนี้ยเจริญตลอดเลยโลภะเจริญแล้วเนี่ยกละาใส่ใจผิดมันดีมีทิฏฐิผิดเห็นว่ามันดีมันงามมันแก้ไขได้มันทําได้เราสามารถทําได้อ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราทําได้รับจัดแจงได้ใช่ไหมเพราะเราเห็นดีไงจเจริญแก่สัตว์แล้วสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดกาจากการประลบการแผดเผาอยู่ด้วยประการอย่างนั้นและมีความเป็นของที่น่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็เพราะอาศัยวัตถุกลามเท่านั้นฉะนั้นถามบอกว่าที่มันยังน่ายินดีน่าพอใจอยู่อย่างก็คือว่าอาศัยกลามคุณหอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส โอ้ยต้องเผานานเลยเกินมันต้องเผานานนี่นต้องกว่าจะกว่าจะออกจากเตาได้นานมากใช่ไหมต้องใช้รูปเผาเสียงกลิ่นรสสัมนนผัสเผานานนอนโอ้อย่างนี้ยังไม่มั่นใจหมออย่างพระพุทธเจ้าไม่พร้อมจะรักษายังใช้วิธีการ ใช้จิตของตนเองนะที่ถูกสั่งสมนะมาอย่างยาวไกลวิธีนี้วิธีนี้ดีคิดอย่างนี้ป่ะถามวิธีของเราดีไหมจะแก้ปัญหาได้ไหมจะหายจากโรคเลื้ยนได้ไหมพาลทวาชามาคาทิยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนท่านได้เห็นหรือไม่ได้ฟังบ้างว่าพระราชาหมาดของพระราชา ผู้เอือบอิ่มเพียอพร้อมยังบำเลอกามคุณทั้ง5้ารการมาตัญหาไม่ได้ยังมาเทาความเร่าร้อนที่เกิดจากการปารบไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความสหายมีจิตสงบในภายในอยู่หรือกําลังเป็นอยู่หรือจักอยู่ถามบอกว่ามีไหมพระราชาก็ดีอมาตย์ของพระราชาก็ดีหรือคนที่รวยที่สุดเน่ยเอาคนที่รวยที่สุดคนที่บริบูรณ์ที่สุดระดับผู้นําของโลกทุกประเทศอ่ะหรือผู้นําของประเทศทุกประเทศ เพียรพร้อมในกรรมมาคุณเลยนะรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะต้องดูที่เรื่องอมาตคนใกล้ชิดทั้งหลายที่พากันล่ํารวยอะ่ะมีทราบมีมีกรรมเยอะๆมีรูปมากๆมีเสียงเยอะๆมีกลิ่นมากๆมีรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆถามว่ายังละกรรมมาตัญหาไม่ได้อะ่ะยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดจากการปลารบการมไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในมีไหมเขาจะหยุดความอยากได้ มีไหมมีไหมผู้นําทุกระดับเนี่ยกล่างั้นตั้งแต่รู้เนี่ยเอาตั้งแต่ผู้นําทุกชั้นเลยเนะทุกทุกแผ่นดินด้วยทุกเออทุกประเทศด้วยที่มีกามเยอะๆเป็นระดับเศรษฐีหมหาเศรษฐีมีวัตถุกามที่พี่จพร้อมเบียดเสดมีไหมที่ว่าจะโอ้โหบริโภคกามยินดีในกามเมื่อคุณยังลรรมมะกามาตัญหาไม่ได้ด้วยแล้วก็ยัง เดือดร้อนเพราะการมติหาต่างๆอย่างนี้ไม่เป็นผู้ปราศจากความกระหายและเขาสามารถสงบใจได้สามารถเดินอยู่ในสมาธิได้เป็นสองสามชั่วโมงมพอไหมอ๋อถมเต็มไหมหรื อ, อยังต้องบริโภคอยู่เรื่อยๆยัยงต้องไปบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เรื่อยๆมันอิ่มเป็นไหมสรุปแล้ววิธีการนั้นรักษาไม่หาย ไม่สามารถจะฆ่าตัวหนอนได้ที่มันชอนชัยสรีระได้เป็นวิธีการที่ผิดเพราะเราถูกจิตหลอกมานานแล้วเพราะไม่ฉลาดในจิตตานุปัสนานี่ะถึงเป็นแบบนี้ถูกจิตหลอกมานานแล้วหลอกตัวเองมานานแล้วด้วยในสังสารวัตฉะนั้นไม่ไม่สามารถจะเอา้ามีลูกศิษย์กี่หมื่นคนแล้วกี่พันคนแล้วนั่นะ่ะ ได้เตามาขนาดนั้นแล้วแล้วมันอิ่มไหมอิ่มไหมเนี่ยก็เกษียณแล้วยังอยากจะไปผิงไปอังอยู่ใช่ไหมมันมันไม่พอและสงบใจได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงไหมดิ่งในลมได้ั้ยไม่ได้เลยเนี่ยกำลังเป็นอยู่เนี่ยนะถามว่า หรือจักอยู่ในอนาคตล่ะคิดว่าเขาจะใช่วิธีนี้ดับความกระหายดับความกาเริบของวัตถุของกิเลสกรรมได้ไมวิธีนี้ก็ดับได้ไม่ได้แล้วเดินทำไมก็ถอยออกมาซสียใช่ไหมเห็นโทษมั้งยังแต่เนี้ยเพราะไม่เห็นเหตุเกิดไม่เห็นความดับไม่เห็นอัาธาไม่เห็นอาทีนะวะไม่เห็นนิสรณะของกามเหล่านั้นไงถึงเป็นแบบเนี้ย ไม่เห็นเหตุเกิดว่าการมาคุณเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิริย์รสนั้นมาจากเหตุอะไรเพราะอะไรเกิดกามเหล่านี้ถึงจึงรุ่งเรืองขนาดเนี้ยไม่เห็นความดับว่าจะดับกามเหล่านี้ได้ยังไงดับกิเลสกรรมเหล่านี้ได้ยังไงใช่ไหมไม่เห็นคุณเขาให้คุณแนะนะ่ไหนให้คุณก็คือให้โลภะไงให้อสสาทังไงเอาอย่างดีก็คือให้อะไรให้ไปเกิดเป็นเท้าส ก, กะใช่ไหมให้เป็นเทวดา แต่ก็ไปบําเลอกามที่เป็นทิพขึ้นมาอีกก็ไปตีอีกให้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่เห็นอาทีนะวะไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นเป็นไม่เห็นทบนี่ยแล้วก็ไม่เห็นอนัตตาของกาลมะคุณเหล่านั้นเลยไม่เห็นที่สุดก็คือไม่เห็นตัวนิสสรณะที่เป็นเหตุและเป็นผลไม่เห็นสติปัฏฐานนี่แหละที่กําลังจะศึกษาที่กําลังศึกษากันมาตามลําดับนี่แหละไม่เห็นสติปัฏฐานว่าเป็นทางดําเนินไปสู่ความหลุดพ้นจากกาจากจาก ที่จะต้องหมกมุ่นในกามเหล่านั้นท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนท่านเห็นหรือไม่ได้ฟังมาบ้างหรือไม่พระราชามหมาหมัดหรือพระราชาผู้เอื้อิีมเรียบพร้อมด้วยกามคุณบําเบอตอนอยู่ในกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังละกามตัญหาไม่ได้และก็บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดจากการปรารบวัตถุกามทั้งหลายไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความกระหายมันจะปราศจากความกระหายได้ไหม มีจิตสงบในภายในอยู่ได้ไหมกําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันดูเที่ยผู้นําทุกประเทศ mm hmm. หรือคนร่ารวยที่สุดในทุกประเทศคนที่มีกามาคุณเยอะๆทั้งทุกประเทศเนี่ยที่เขากําลังบริโภคกามอยู่เนี่ยแล้วเขาดับดับความกระหายในกามได้ไหมเขาหยุดยั้งกามมาตัญหาได้ไหมบอกว่ามีไหมในปัจจุบันและคิดว่าอนาคตจะมีไหมว่างั้นทีนี้มาคันธิยะก็บอกว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมไม่มีแน่ว่างั้น ดีละมาคันธิยะข้อนี้แม้เราก็ไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ฟังมาด้วยว่าพระราชาหรืออมรรษของพระราชาผู้เอิบอิ่มเพียรพร้อมบอําเลอตนด้วยกามาคุณทั้ง5ยังละ ก, กามตัญหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดจากการปรารบการไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบไปภายในอยู่แล้วก็กําลังอยู่หรือจักอยู่มาคันธิยะที่แท้สำน้หรือพรามณเหล่าใดเหล่าห น, นึ่งนะ เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ที่อยู่แล้วนะและกำลังอยู่และจากอยู่มีนะว่าสมณะเนี่ยสมณะที่หนึ่งสสมสี่เนี่ยนะสมณะพรามเหล่านั้นทั้งหมดล้วนรู้ความเกิดคนที่จะสงบนคือจะดับความกระหายดับความกวนกะวายได้เพราะการมติหาเป็นต้นได้เนี่ยสมณะเหล่านั้นต้องรู้เหตุเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะต้องรู้เหตุเกิด อะไรคือเหตุเกิดยอมแก้วอะไรคือเหตุเกิดะอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรทำให้ตันหาในปัจจุบันนี้จเจริญตันหาในปัจจุบันเนี่ยเจริญขึ้นมาเพราะอะไรเพราะตันหาเพราะสมูทายในอดีตใช่ไหมสมูทายที่เป็นสมูทยะสจัดด้วยสมูทายธรรมดาที่เป็นอวิชาด้วยกรรมด้วย ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทําให้ตันหาเจริญขึ้นฟูเฟื่องในปัจจุบันนี้ด้วยเห็นไหมนี่โทษองการไม่รอบรู้ตันหาปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็ไม่ละตันหาเขาบอกต้องรอบรู้ต้องกําหนดรู้ต้องละเขาด้วยนะตันหาเนี่ย <c oughs> อยู่ในฐานะเป็นทุกข์สัตว์ด้วยด้วยเป็นสมุทัยสัจจะด้วยถ้าเขาจะเป็นเหตุเกิดในเป็นเป็นเหตุเกิดเป็นเหตุในปัจจุบันที่จะทําให้ ตาหัวจมูกเล้นกายใจและเจริญในในวัฏะเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นเลยบอกว่าสมณะพราหมณ์เขารู้เหตุเกิดเขารู้อวิชชาตัณหากรรมและอุปาทานทั้งหลายเป็นเหตุเกิดของกามเหล่านี้แล้วก็รู้ความดับว่าอาวิชชาตัณหากรรมเนี่ยนะก็หมายความบอกว่ากามคุณทั้งหลายเหล่านี้พวกตัณหาทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนี้นจะดับได้ที่อริยมรรคเนีที่ ปรินิพานจุตติอ่ะดับได้ความดับของเขาอยู่ตรงนั้นแหละดับถาวรดับตาหูจมูกร่างกายใจและดับตัณหาด้วยแล้วก็รู้อาสาทะเขาให้คุณแค่ไหนให้คุณนิดเดียวแต่อาธีตะวะเต็มไปหมดเลยให้แต่โทษเนี่ยนะให้โทษมากแล้วก็รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากกามเหล่านั้นตามความเป็นจริงก็คือรู้สติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พระโพุทธชงก็รู้จกักมรรค แล้วก็รู้จักพระนิพพานที่เป็นผลนะละกามตัตตนาบันทาวความเร่าร้อนที่เกิดจากการปารกามจึงเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีใจสงบในภายในอยู่กําลังเป็นอยู่มีและจักมาในนาคตก็มีพระเจ้าจากมาในนาคตก็มีสาวกก็มีใช่ไหมขอให้เป็นพวกเราดีไหมเราเราจะดับในปัจจุบันในภพนี้หรือว่าจะดับในภพนั้น ลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็เปล่งอูทานคาถาบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นบรมสุขบรรดาทางทั้งหลายที่ให้ถึงอมตะธรรมทางที่ประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางอนเกษมนี่ตรัสอย่างเนี้ยเมื่อพระบรมศา ส, าสดาตรัสอย่างนี้มาคันธิยปริพาชคก็กราบทูลพระบรมศาสดา ว, ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์ยิ่งนักไม่เคยมีมาแล้ว เพียงข้อที่ท่านพระโคดมตรัส ด, ดีแล้วว่าความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังข้อนี้มาจากปริพาโชก่อนๆว่า ง, งั้นผู้เป็นอาจารย์และปะาอาจารย์ผู้กล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้อนี้ย่อมสมกัน ง, งั้นแสดงว่ามาคันธิยะปริพาชกเนี่ยเขาก็สอนว่า ความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งใช่ไหมนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเหมือนกันแต่แต่ไม่มีประโยคหลังทางทั้งหลายที่ให้ถึงอมตะทำคือมักอกมักแปอริยมรรคมีองค์8ปี่เป็นเป็นทางเกษต ร, รพระาศาสดา บ, บอกมาคันธิยะข้อที่ท่านได้ฟังมาจากปริภาชค ก, ก่อนๆแล ะ, าจาๆะจานก่อนๆปาจาย์ก่อนๆนั้นนะความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขดังนี้นั้นความไม่มีโรคนั้นเป็นเชไหนะนิพพานนั้นเป็นฉชไหนะ เมื่อพระบรมศาสดาตรัสอย่างนี้ได้ทราบว่ามาคันธิยาปริภาชกเนี่ยเอาฝ่ามือรูปตัวตัวเองนะรูปตัวบอกข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญความไม่มีโรค ก, ก็คืออันนี้นิพพานก็คืออันนี้คืออะไรนะข้าแต่ท่านพระโคโดมบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขอะไรอะไรมิได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย โอ้ย่งเลยยุ่งและแต่เนี่ยพระศาสดาบอกว่าคนบริโภคกามเนี่ยตาบอดมานานแล้วตาบอดมานานแล้วเราถูกโมหะปิดมานานแล้วเราเลยไม่รู้ความไม่มีโรคเลยไม่รู้ พ, พ, ร, พระนิพพานในศาสนานี้เราปเธอไปสำคัญได้ยังไงว่าร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเธอไปสำคัญว่าความไม่มีโรคในศาสนานี้ แล้วไปเข้าใจว่าเป็นนิพพานใช่ไหมไปเข้าใจาเป็นนิพพานก็คืออันเนี้ยก็ได้รับความสุขความสะดวกดีอือเผอิญจริงๆก็คือว่าเกี่ยวกันในเรื่องของปริภาชกเนี่ยแกแกเขาสอนกันมาอย่างนี้นะเขาจำกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสืบทอดยาวนานมากแต่จำได้แค่วความไม่มีโลกกับนิพพานเป็นสุข แต่ไม่รู้ความหมายแล้วจะมาสืบทอดกันมาตกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานใช่มไหมหมดตอนนี้ความไม่มีโลกไปติดแถวตลาดห้า ง, ง, งร้านเต็มไปหมดแล้วแล้วความสุขที่จะเกิดจากการเนี่ยเป็นเป็นปนิพพานของคนไปแล้วการบริโภคมีละทีหนึ่งนะถือการถือการในเกี่ยวในเรื่องของเรื่องการมาคุณเป็นพระนิพพานนะ ถ้าสมัยก่อนก็าเรียกในทิฏฐาธรรมนิพพานเน่ยบริโภคกรมะคุณเป็นนิพพานแล้วลทัทติหลังๆมาจากพุทธศาสนาเสื่อมสูญไปก็มีลัตินี่พุดขึ้นมาเต็มหมดเลยเขาถือการนี่แหละบริโภคการมเนี่เป็น น, นิพพานคือแสวงหาความสุขเป็น น, นิพพานของเขาแล้วเป็นเป็น น, นิพพานของเขาวความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งเนี่ยนะการได้ทรัพย์การได้ยศการได้บุตรอย่างใดอย่างหนึ่งความไม่มีโรคเป็นราบเนี่ย ลาบยิ่งกว่าความไม่มีโรคไม่มีเนี่ยความไม่มีโรคจึงเป็นลาบอย่างยิ่งเนะทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรบอกว่าในความที่บอกว่าท่านถึงบอกว่ามาคันธิยะบุรุตตาบอดมาแต่กําเนิดเขาไม่รู้จักสีดําสีขาวเลยอ่ะบอดสนิทเลยใช่ไหมก็โดนหลอกมีคนเอาผ้าที่มันไม่สะอาดมาล้องประกาศบอกขาย ก็ไปยินดีว่าโอ้โหนี่ดีก็ยังยึดถืออยู่นั่นแหละนี่เหมือนการสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตาบอดตาบอดมาอย่างยาวนานแล้วแต่อยู่ต่อมาก็ว่างั้นนะอยู่ต่อมาเนี่ ย, ยมาคั น, นยศท่านจะสําคัญความข้อนั้นบุรุษตาบอดแต่กําเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่รับเอาผ้าเทียมที่เป็นขมเหม่านั้นหม่มแล้วก็ดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจ ท่านผู้เจริญผ้านี่ขาวนะผ้านี่งามนะไม่มีมณทินสะอาดหนอว่างั้นแล้วก็เปล่งวาจาแสดงความยินดีนะท่านพระโคโดมผู้เจริญบุุษตาบอดแต่กาเนิดไม่รู้ไม่เห็นเลยว่างั้นนะท่านผู้เจริญผ้าขาวเนะี่ยไม่มีมนทินเป็นต้นเหรนี้ยมาคันธียะปริพาชกอัญญาเดรธีทั้งหลายก็ฉันนั้นบอกว่ามนุษย์โลกทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละเป็นคนบอดไม่มีจักษุ แม้เบอดไมาแต่กำเนิดจริงๆใช่ไหมไม่รู้ความไม่มีโรคและไม่เห็นนิพพานก็เป็นเช่นนั้นแหละยังมากล่าวคถานี้อยู่ว่างั้นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้มาคันตยะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสพระคถาไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายทางให้ถึงอมตะธรรมเป็น เป็นทางองแปเป็นทางกรมบัดนี้คาถานั้นเป็นคาถาปุถุชนไปโดยลำดับปุถุชนเอาไปขับแล้วเอาไปท่องกันแล้วไม่รู้ความหมายเรียบร้อยไปแล้วก็เลยเอาคาถานี้ไปไปใช้กันแบบปุถุชนใช้ก็เลยสำคัญความไม่มีโรคว่าเป็นเหมือนปุถุชนเข้าใจนิพพานเป็นเหมือนปุถุชนนั้นเข้าใจว่างั้นมาคันธิยะ ก, กายนี้แหลเป็นโรคกายนี้แหลเป็นฝี กายนี่แหละเป็นลูกศรอนกายนี่แหละเป็นสิ่งเจ็บปวดกายนี่แหละเป็นสิ่งเจ็บไข้ท่านกล่าวกายนี้เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความเจ็บปวดเป็นความเจ็บไข้ว่าท่านพระโคดมความไม่มีโรค ก, ก็คืออันนี้นิพพานก็คืออันนี้เพราะท่านไม่มีจักษุ ข, ของภาริยะท่านตาบอดไงท่านมีโมหะใช่ไหมความบอดไง ความบอดไงก็คือไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวธรรมอันนี้คือดวงตาคือปัญญาดวงจิตคือไม่มีปัญญาเกิดขึ้นจิตก็บอดบอดไม่เห็นอะไรไม่เห็นสภาวะลักษณะและไม่เห็นสามัญยลักษณะพอไม่เห็นสภาวะลักษณะเลยไม่รู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมโดยเฉพาะก็คือเนี่ยไอตัวกรมคุณทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันเป็นโรค ตาหัวจะบึกลินกายใจนี่นะรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารนิยาณ น, นี่ไงคือตัวโรคอ่ะเป็นไม่เป็นเป็นโรคไหมนี่เขาบอกว่าเพราะท่านไม่มีจักษุจึงทำให้รู้ความไม่มีโลกที่ทำให้เห็นพระนิพพานตอนนี้พอหลังจากพระบรมศาสดาตรัส เบ็ดเสร็จแล้วมาคณียาข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคโดมอย่างนี้ว่าท่านพระโคโดม ส, ดสามารถแสดงตามเกศข้าพเจ้าโดยการที่ข้าพเจ้าจะรู้ความไม่มีโรคจะเห็นพระนิพพานได้ดูก่อนมาคณียะเปรียบหมุนบุรุษตาบอดแต่กําเนิด น, นะไม่ได้เห็นรูปสีดมสีขาวเป็นตัวเหล่านี้นะต่อมาได้กรรมและการผ่าตัดแพทย์ที่ชนานาญผ่าตัดให้นัเข้าในสุดจริงๆเขาก็จะตาดีขึ้นมาได้ใช่ไหมรักษาตาหายแล้ว เราก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแสดงทำแก่ท่านว่าความไม่มีโลกก็คืออันนี้นิพานคือเ น, นี้ยดังนั้นท่านก็ไม่รู้ความไม่มีโลกไม่เห็นพระนิพานอันนี้พึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความเด็ดเหนื่อยเป็นความลําบากแกเรา <c oughs> ก็บอกว่าถ้าบอกว่าถ้าเราแตาถาคตแสดงความไม่มีโลกก็คื อ, อยเบาหวานไม่เป็นความดันไม่เป็น <c oughs> ใช่ไหม ไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันไม่เป็นไขมันสูงใช่ถ้าสถาคดแสดงอย่างนี้นะว่า้นแล้วก็บอกเป็นนิพพานด้วยตรงนี้ตสถาคจะเหนื่อยเปล่าเลยที่ตัดสู้มาเนี่ยเหนื่อยเปล่าเลยอะ่ะเหนื่อยเหนื่อยไหมลำบากัหมถ้ามาแสดงแค่นี้ย การสร้างบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับมาแสดงความไม่มีโรคก็คือไม่ปวดหัวไหมเ <c oughs> นี่ยพอใครไปเฝ้าพระบรมศาสดาสงสัยโรคกระเพาะพังไปหายากินพื่อจะเหนื่อยเปล่าใช่ไหมใช่เ <c oughs> ล้หมอว่าไงตอนนี้ยรู้จักคำว่าไม่มีโรคได้ยังไปลาบันเตื้อดียังหมายถึงอะไร <c oughs> หมายถึงอะไร ดับตาหูจมูกเล่นกายใจได้นั่นแหละคือความไม่มีโรคพระนิพพานนั่นแหละคือความไม่มีโรคความไม่มีโรค ก, ก็คือนี้ <c oughs> นิพพานก็คือนี้ <c oughs> เอาเริ่มเข้าใจยังเนี่ยยังไม่ตื่นเลย <c oughs> ว่าไงเนี่ย